โมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมุทติสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมุทตสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมุทตสสะสีระสมาธิ ปัญญาสัมปนโนอิติปิโสภควานมามิหังอิมัชฌะธาารรมะปริยัจสาอโทสะสายสมันตหิสกกจังธโมโสตโบติอามื อ, อ, อ, อลองตั้งกายตรงๆนั่งสงบสงบ จะนั่งถาพับเพียบก็ได้นั่งกัสมาธิก็ได้ต่อ น, นี้ไปเป็นเวลาที่จะได้รับตับฟังระธรรมเทศนาที่จะพัฒ น, นาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้พวกเราทั้งหลายได้นำมาใช้ในการฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราให้มีสติในการรงชีวิตอยู่ทุกเมื่อ พระธรรมคำสอนของพระสรรมมารพระเจ้านั้นพวกเราทั้งหลายถ้าได้นำมาใช้แล้วก็จะเกิดความสงบสุขร่มเย็นทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์นุษย์เราเต็มไปด้วยความสงบไม่มีสิ่งเจี๊ยวเจ้าเากรี้ยวกราวที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเปลี่ยนไปอย่างยุ่งยากในสังคม พอทำคำสอนพระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์จะสอนให้เรารักษาตีนอย่างเดียวเฉพาะสิ่งอย่างเดียวเท่เานัฟากาัน ร, รักษาและดูตัวดูใจของเราตลอดเวลาในการที่เราเป็นพู้ถบรสันสีนั้นเป็นคนที่อ่สงบกายวาจาใจกายวาจา <c oughs> ที่แสดงออกในการเคลื่อนไหวไปมา วาจานั่นก็เป็นทิ่งสําคัญจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่วาจาเราจะก่อให้เกิดความชรุษเสื่อมก็อยู่ที่ใจของเรานนั้กายก็เหมือนกันกายแสดงออกทางการเคลื่อนไหวไปมาหรือการกระทําใดๆก็ตามหากว่าจิตของเรานั้น มุ่งประทำดีมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการที่จ ะ, ะควบคุมกำกับการใช้กายกรรมพวกนี้ให้มันเกิดประโยชน์ในสายตาของบัณฑิตหรือในสายตาของผู้มีธรรมเขาก็จะมองเห็นเพียงแค่เราก้าวย่าง เคลื่อนไว้ไปมาก็พอจะรู้ได้แล้วว่าเรานั้นมีจิตใจสูงต่ำขนาดไหนผู้รู้ทั้งหลายเขาก็จะมองเราออกเพราะนั้นเรื่องของธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งเพื่องพ์แค่ให้แค่สินห้ายอย่างเดียวสำหรับกรวาฏญาติโยม ขอให้ถือกันให้ใหเอามาปฏิบัติใช้มาได้จริงๆจังๆเพราะธรรมะของผู้เจ้าไม่ใช่เอามารู้เอามาเอามาสอนเพียงให้จดจรำระลึกได้แต่ต้องนำมาฝึกหัดปฏิบตัติแล้วก็ใช้การใช้ธรรมะนั้นต้องใช้อย่างมิสติเช่น สุราเนี่ยเราจะปฏิเสธกระตะผู้เสพบัวไม่ช้ำน้าไม่ขุนด้วยปัญญาที่เรามีความเฉลียวฉลาดการจะเอาตัวรอดจากน้ำมึนเมาต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างนี่แหละถ้าเรารู้จักในการมีปัญญาพอฝึกจิตของเราให้มีกำลังมีสติมีสมาธิปัญญาเพียงพอแล้ว เราก็ย่อมจะแก้วิกฤตการของชีวิตที่มันเกิดการาวิกฤตสติขัดขึ้นมาแล้วก็สามารถจะนำเอาปัญญาที่เราฝึกเอาไว้ดีแล้วเหล่านี้ออกมาใช้ให้มันเกิดผลเพราะมนุษย์เหล่านั้นประเสริฐประสัตโรคทั้งหลายจำเป็นที่เราต้องมีระเบียบวินัยใ น, ใ น, ใ น, ในความเป็นอยู่ของเรา ในฐานะเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่เอาความเป็นมนุษย์เัา่มาใช้เราไปใช้ผิดเอานิสัยที่ไม่ใชกมนุษย์นิสัยที่มันยังเป็นนิสัยของสัตว์เดียราฉนหรือเป็นนิสัยของออคนพรานสันดานหยาบเอามาใช้ในการลงชีวิตมันก็ทาให้จิตทังเรานั่นก็ มีแต่ความเศ้าหมองขุนมัวเมื่อจิตใจเราเศ้าหมองแล้วอะไรจะตามมาบุคลิกบุคลิกภาพว่ า, าต้องตามตามที่จิตของเรานั้นหมกมุ่นขุนมวยในสิ่งใดสีสันวันนะหรือการขึ้นไหวไปนาของบุคคลผู้นั้นเจิตบ่งบอกถึง สิ่งที่ทุกซ่อนอยู่ภายในอืบุอุรุลหรือสติผู้นั้นให้ปรากฏชัดเพราะนั้นทำำําควาต่อพระเจ้าไม่มีสิ่งใดปกปิดได้เว้นจะว่าเราเองจะยอมหรือไม่ยอมจะเป็นผู้ร้ายใจแข็งหรือจะเป็นผู้ร้ายที่มุ่งหมายใ น, นการที่จะแก้ไขตนเองให้ออกจากวความ คร อ, อบงำของความมืดมนทางทางจิตใจผู้ร้ายมันแอบอยู่ได้ทุกทุกๆอารมณ์ของจิตใจเป็นก้อนเนื้อทำหน้าที่อย่างเดียวสูบสีดเราเหิบบะเลี้ยงร่างกายเท่านั้นแหละไม่รู้อะไรเราเราหลับมันก็สีดไปแล้วตื่นก็ฉีดถ้าปกติแล้ว ร่างกายของเราสมบูรณ์ดีมันก็จะฉีดไปตามกำลังของเครื่องที่ยังไม่ชำรุดยังไม่โซมมันก็ฉีดตึบตึบตึบตึบต บ, บไปเราเรียงร่างกายให้ของเก่าออกไปใช้แล้วก็กลับย้อนกลับมาให้ฟอกจิ้ฉีดฟอกอีกหัวใจก็มีหน้าที่สำหรับฉูกฉีโวฮิตทิร์น สุบของที่เก่าอากลับเข้ามาแล้วก็เมื่อพอกจกปลปอดเสร็จแล้วหัวใจก็ส่งจากเลือดที่ฟอกดีแล้วส่งไปใช้อีกหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าเครื่องอยนต์กลไกลของร่างกายของเรานี่ยังไม่จำรุดตุดตรง ม, มันก็จะทำให้มันตลอดเวลาทีนี้เราจะทำให้เครื่องยนต์หล่อนที่าทางานอยู่แล้ว มันก็หนักนะสัหัตอยู่แล้วชามมันเคยมีรายหยุดเช้าสายเที่ยงบ่ายยินแม่เวลาหลับเราหลับอยู่มันก็ทำงานเรื่องของของขอ ง, ของของใจของหัวใจแต่เรื่องของจิตมันก็ต้องอาศัยการกระทบเราตื่นขึ้นมันกระทบมาในความฝันในธรรมารมมันกระทบมาใน ขณะที่เรามีลมหายใจอยู่ตื่นอยู่กระทบทางหูบ้างทางตาบ้างเราเป็นคนมักขุนเฉียวเกี้ยกา่ในเวลาหลับนอนแล้วก็ยินขึ้นมาตอนตื่นขึ้นมาปับ๊บมันก็จะก่อเกิดอารมณ์ขุนมัวและไม่สามารถจบรับั้งจิตใจได้ก็จะผลุษสวะไปต่างๆ ให้สิ่งที่กระทบเกิดจากบุคคลหรือเกิดจากสิ่งใดบางครั้งก็ยังไม่รู้เสียด้วยมันเกิดจากเสียงอะไรถ้าสเสียงคนเราก็แน่ใจเาเป็นคนเสียงสยัตว์เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นเสียงสัตว์หรือเปล่าสัตววัตถุ ต, ต่างๆกรงกระดอนดังให้เกิดความหมุดหิดยามตื่นนอนเนียตอนนี้เราก็ต้องควบคุมทันทีพอตื่นมาปับ๊บเราวบคุมเครื่องจักรกลของเราเนี่ยที่ใช้งาน เชิ้นวาจาก็ดีกายก็ดีพยายามใช้ให้มันเกิดโดยสติโดยสมาธิความแน่วแน่แห่งจิตใจโดยปัญญาอัญเชิญธรรมนั้นเกิดจากสมาธิควบคุมครบแล้วทำให้เกิดคว า, ามละเอียดอ่อนเรียกว่าปัญญาแล้ววันมาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตได้ตแต่เช้า ตลอดเวลาที่เราลื ม, ลมตาขึ้นดูนโลกอนะ่ะธรรมะพุทธเจ้าใช้ได้ตลอดทั้งระบบ ค, คนพวกมีปัญญาเราจะเห็นว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าตรัสไวนะ้นันไม่ใช่จำจำฟังฟังแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเอาไว้บนหี่ยงบูชาเหมือนกับเครื่องรางของขรังเนะ้านั้นที่เราสมมุติมาใช้แต่ธรรมะนี่เป็นของที่ต้องอยู่กับ ติดอยู่กับใจเราจริงๆอยู่กับกายเราพอเราต้องใช้เคลื่อนไหวตลอดราเช้าสายเที่ยงวายเย็นนี่ไม่มีเวลาหยุดหย่อนอืมไอ้หัวใจก็ต้องทำงานตลอดขณะดใดจิตใจยกขึ้นสู่อารมณ์พับเลือดลมในร่างกายของเราก็จะต้องไหลเวียนหรือได้รับการใช้จากใจที่กำลังต้องถูกถโดหิตไปช่วยเพิ่ม ปกติเดินเฉยๆไม่ทำอะไรไมันก็เดินตัวแล้วแต่เมื่อเราพูดขึ้นอะไรขึ้นทำอะไรเหนื่อยขึ้นหัวใจยิ่งต้องสูบฉีดโหลหิตรุนแรงขึ้นเพื่อให้ไปหร่อเลี้ยงการทำงานได้ทันเวลามไม่ทำให้เราต้องได้รับความมืดมน ขณะที่หัวใจของเรากําลังทํางานคำมื่นมุนมุนด้วยเหตุผลด้วยเรื่องราวต่างๆแล้วเราฝึกจิดฝึกจิไว้ดีแล้วจิตเราจะมีความผ่องใสกระทบปั๊บก็รู้ปุ๊บทันทีเดียวว่าสิ่งที่กระทบมาทางหูเราเนี่ยเป็นเสียงมีอันตรายมีอันตรายแล้วก็รู้รู้ด้วยโดยไม่ต้องหัน เพียงเลยับเับกระทบทางเสียงเท่านั้นแหละเราจะรู้เลยเสียงนี้มาจากคนที่ปรารถนาดีหรือคนที่ยังมีว่าอะไรแอบแฝงอยู่ในจิตใจที่ส่งผ่านรัตชาชาหรือตรงผ่านมาทางหูเราเป็นเสียงเยเราจะรู้ได้ตรนี้แยกแยะได้ทันทีทีเดีาวดันการถูกจิด ที่พระเจ้าทรงสอนสอนเข้าไปถึงจิตนะไม่ใช่สอนแค่ให้หูได้ยินได้วัง เ, เว้นถ้าเด็กเด็กสารกเด็กบางคนยังมีเหตุผลดีเสียด้วยเพราะเขาไม่ค่อยจะพูดคำที่มันก่อให้เกิดความลำบากต่อความคิดที่จะแยกแยะให้มันเกิดความ ไม่สบายแก่ผู้ฝันนั่นสำคัญที่สุดขอให้เราได้ใช้กายให้ถูกต้องใยพิสิ้นผิดธรรมขอให้ใช้วาจางเราอยู่ในศีลและธรรมขอให้ใช้การรง้วิต ของเราไมา่ผิดพลาดทางประเวณีต่างๆให้อยู่ในศีลธรรมวาจากายก็อยู่ในศีลธรรมแล้วจะมีอะไรสร้างความเดือดร้อนให้แกเราล่ะไม่มีหรอกคนจะผิดก็ผิดกันตรงเนี้ยเพราะไม่ซื่อสัตว์ไม่ไม่มีความอ่อนน้อมเข้าหากันมแต่ทิฏฐิมานะ อ่าต้องแจ่จะเอาชนะกันด้วยวิธีการต่างๆโดยชั้นเชิงแห่งความรู้โดยชั้นเชิงแห่งความอ่าแห่งความเคยชินลองคิดดสิถ้าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจำเป็นต้องมีธรรมะอันหนึ่งที่ สามอย่างที่จะต้องมีไว้จำจำตัวกันทุกทุกคนเช่นความอดทนอดกลั้นต่อสั่งรีเสตต่อสิ่งที่กระทบพร้อมผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความหนักแน่นมั่งคงต้องมีสติกระทบแบบนี้เราควรจะตอบโตหรือแก้ไขอย่างไร เราไม่สมควรเราก็ไม่ต้องตอบไม่ต้องโ ต, ต, ตเช่นมันการกระทบทางธรรมชาติมันมันมีทางจะบเลี่ยงได้เป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยมันแท้ก็มีสิ่งอันไม่พึงปราถนาทั้งได้ยินทั้งได้ถ้าได้กระทบทางกลิ่นทางจมูกเราก็ยุก็ได้ทั้งที่เราก็พูดออกไปก็ไม่ได้มันใส่เสียมานายาิยมทําให้คนอื่นเกิดความอึดอัดในคำพูดของเรา ไม่เราก็อย่าพูดดีฝ่าหนึ่งถ้าเฉยกินเหล่านั้นก็ไม่ทำให้เราก็ถึงตายเพียงแต่ไม่ทําห้เราไม่สบายเชั่อระยะหนึ่งของความรู้สึกทางจิตใจถ้าเราอดได้ทุกอย่างก็สงบดีสะอดไม่ได้เราแสดงอาการกิริยาออกคนอื่นเ้าก็เตือนที่ก็เป็นฝ่ายทําเขาก็ก็เทือน เราต้องเห็นใจถึงการแระั น, ะนอดทนอดกลั้นวะมีความขยันหมั่นเพียรคือวิริยะธรรมในการจะแก้ไขความขาดตกบกพร่องของเราที่แสดงออกทุกเมื่อเชื่อวันในสังคมที่เราผ่านมาแล้วก็ดีที่จะไปในอนาคตข้างหน้าก็ดีแต่อ น, นาคตได้ดีดูที่ปัจจุบันนะปัจจุบันเรื่องหัวใจเนี่ย ปัจจุบันนี้อาจะกลายเป็นอดีตปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคตจจเราลังก์ก็เดินอนาคตปัจจุบันเป็นปัจจุบันที่เราไม่กระทําสิ่งใดให้มันเกิดความผิดพลาดบกกร่องอต่อภารกิจและหน้าที่ตลอดจนกระทั่งการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปล่งไปด้วยความละเอียดชาติตาความละเอียด มุ่งสู่ภารกิจของเราอย่างแท้จริงทาการฝีมือที่ก็อยู่ที่นั่นหัวใจก็อยู่ที่นั่นมันก็จะทํางานคบคู่กันไปหายใจก็หายใจไปทํางานหนักหน่อยหัวใจทํางานหนักอีกนิดหนึ่งมันก็เร่งลดกระจากให้เร็วแล้ก็จึงเหยียบคันเร่งลงไปน้ํามันจะกินมากขึ้นหน่อยจะเราจะให้มัน กิน้มันน้อยแล้วก็วิ่งธรรมดาแต่อย่าวิ่งให้มันเบาเกินไปหรืออย่าให้มันวิ่งให้มันช้าเกินไปช้าเกินไปก็ทําเครื่องยนต์เสื่อมได้ได้ด้วยก็เดินเร็วเกินไปก็ทําให้เสื่อมและอันตรายสูงอันนี้แหละถ้าเรารู้จักใช้ร่างกายของเราเนี้แล้วก็แม้มันจะมีกลังเหลือน้อยแล้วก็ประหยัดใช้ไปตามกําลัง เราไม่ใช้ความทรุนแรงทะรุดุดันให้ร่างกายของเรานั้นเร่งแรงเกินไปขณะที่มันกำลังจะเสื่อมอย่างนี้ให้มันเร่งแรงมันก็ไปไม่ไหวมันก็จะกะ อ, อาการของมันออกมาฟ้องเราเองนะทำให้เรา ร, รู้สึกตัวเองถ้าเรารู้จักใช้ธรรมะกองหลวงพทธเจ้ า, า, เ, ร า, จาเราจะใช้ได้ตั้งทุกวัย ตังพอมวัยมัจจิโมวัยจนถึงปัจฉิมวัยวันปลายของชีวิตนะ้ราอยู่ใช้เครื่องยนตเครื่องยนต์ตัวนี้มาตั้งแต่เกิดตั้งจำความได้จนทุกวันนี้เราข้าใจในสร ะ, ะร่างกายของเราดีพอหรื อ, อยังที่จ ะ, ะใช้ให้เกิดประโยชน์ก้าหน้าถ้าเราใช้ ถูกต้องจริงๆทั้งกายทั้งวัยแตทั้งใจเนี่ยได้จะเป็นผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงและเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของมนุษย์อและเทพเทวดาทั้งหลายส่ว น, นสัตว์ไร้ชาติที่มีชีวิตจิตใจมนุษย์เหมือนกันอ่าทักวันหนึ่งทักครั้งหนึ่งของความเวียนว่ายอาจจะกลับเป็นมนุษย์ยอย่างเราก็ได้ ช่นสัตวเดรัจฉานทั้งหลายที่เราเห็นเป็นสุนัขว่างแมวว่างเนี่ยสมัยเขาจึงได้กลับมาเป็นมนุษย์อะเขาทําบุญมาก่อนเหมือนกัน พ, พ, พวกนี้พวกแมวพวกหมาพวกนี้จึงกระทั่งมาชาตินี้เขาตกกรรมลาบากเพราะวิบากกรรมของเขาที่กระทำลงไ้จนเกิดมาเป็นหมาเป็นแมวอย่างนี้ตกเกิดเป็นสุนัขอย่างนี้เราก็จะรู้สึกน่าสงสาร เพราะกรรมที่เขาก็ทำมาดีแล้วแต่เขารักษาดีไม่ตลอดเช่นโบราณเขาว่าต้นตรงปลายคดใช้ไม่ได้ต้นคดแต่ปลายตรงว่าใช้ได้บุราณว่าอย่างนั้นเหมือน้ะปฏิบัติมาจนใกล้เวลาเวลาแล้วเกิดตัหากลับขึ้นมา อาจจะหากรับเนี่ยมันทาให้เรากลับพบกับชาติไปเลยแต่เรียกกับจะเป็นเทวดาจากนุษย์ไม่ถึงพานจะเป็นเทพเป็นเทวดาเขาว่าต้องกลับไปเป็นเดรัจฉานใชะไหมแล้วพอจะกลับเป็นมนุษย์ได้อีกก็ต้องนานแสนนานเป็นเดรัจฉานนะั้มันก็ไม่รู้อะไรมันก็ทําบาปทํากรรมไปเรื่อยแต่เมื่อเขาทํา ถึงเขจะทำบาปทำกรรมหรือไปใช้เวรใช้กรรมทั่วระยะหนึ่งแต่ความดีดีก็ทำไว้แต่ดีอย่างเหลืออยู่บุญนั่นยังเหลืออยู่ยังรออยู่เวลาเขาเกิดเป็นชาตริษารเข า, ายัางมีโอกาสที่จะเข้าใกล้พู้มีจิตใจเมตตาดูแลเลี้ยงดูจงกระทั่งอุษสาเข้ามาสวัด ว, ว, า, ว า, ารามเนี่ยพระท่านก็ ฉันข้าวไปในหมดบาทไม่ใชก้นบาทบางอะไรบ้างหรือเสต็จอาหารบา้างให้เต็งเต็มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะเขาก็อยู่อาศัยข้าววัดกินไปวันวันถึงเวลาตายขึ้นมาเขาก็ยังได้กลับเป็นเทพเป็นเทวดาทีเดียวเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบุญเก่าของเขายังอยู่เข้ามาใช้กรรมที่ก็ะทำมาแต่อดีตนี้เท่านั้น ใช้ปุ๊บพอถึงวัดก็ครับเดี๋ยวนี้ก็จะได้กำเนิดเกิดใหม่แล้วเพราะได้เห็นจึงเป็นมงคลทุกวันเห็นพระเดินวัดบาง ท, ทีก็ไปเดินด้วยกลับมาก็รู้ว่ามีอาหารกลับมามันก็ได้ส่วนแบ่งในส่วนเหลือไปเนี่น่าสงสารมากในพวกสัตว์แต่ก่อนอาจารเคยคิดตำคานเหมกันดินเจียงมันเห่า เอ้แล้วก็นอนคิดไปถึงหมาเห่ามันมีประโยชน์ต้องจะให้ทุกข์ให้ทุไขวบางดูดูแล้วสุนัขก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เหมือนกันถ้าเลี้ยงเอาไว้เพราะกลางคืนนข้ามมันไม่ได้หลับเหมือนอย่างเราอืามันเวลาหลับมัเวลาตื่นหรือเปาเหาขึ้นมาก็ต้องมีเหตุบางสิ่งบางอย่างแหะสุนัขเราก็เลี้ยงไว้เห่า ถ้เลี้ยงสุนักไม่เห่าอย่าเลี้ยงเลยเลี้ยงมันเสียค่าเปล่ า, าไม่ประโยชน์แล้วป้อมเป็นสัด์เดรฉานเมื่อเป็นสัต์เดรฉานแล้วควรจะแยกให้มันถูกต้องแต่ไม่ใช่เราเกลียดแต่มันมีโรคชนิดหนึ่งที่ในตัวของสัตว์เหล่านั้นเราไม่รู้เอานอนด้วยขนเขินหลุดเข้าจมูก ก้าวปอด <c oughs> <c oughs> มันจะทำให้เกิดรูปไยไข่เจ็บขึ้นไดู้ดคือโดกปอกเลยสรรพัด <c oughs> ข, ข้าแต่เขาจริงๆเห็นถ้าขนแมวขนหมาอยู่ในเครื่องข้อเครื่องกรองของเราเหมือนเครื่องข้อเครื่องกรองน้ำมันเครื่องน้มันเป็นซิน ถ้ามีอะไรแปลกปลองออกไปมันก็ไปเกิดอยู่ในเครื่องกองนั้นในเครื่อพวกรเครื่องปองของเรามันก็มีส่วนมันก็ทำให้เกิดโรคภัยก็เจ็บขึ้นได้การทําอะไรทุกถึงอย่างเนี่ยธรรมะคําสอนพระเจ้าใช้ได้กระทำสูงสุดถึงต่ําจุดเป็นเครื่องหยุดความทรมานทรมกรรมของสัตว์โลกถ้าเรา เขาต่ำที่สุดแล้ว เ, เรายังสูงที่สุดเรายังไปเบียดเบียนเขาอีกไม่ความเมตตาไม่ควา ม, มปรานีเนี่ยนะสังคมเราก็อยู่กันยากแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆเล้าฉานทั่วแล้วก็โทษยุคนี้สมัยนี้ธรรมะไม่มีแล้วในโลกธรรมะมีตลอดเวลาแต่เราลืมตาเราเห็นอะไรนั่นแ่ะเราอย่าไปยึดไปติดแล้วเราพิจารณาให้เห็น ถ้าแท้ความเป็นจริงเหรอเราจะเห็นถึงความตเกิดขึ้นตั้งอยู่ช่วงระยะหนึ่งแล้วก็เสื่อมไปเหมือนมนุษย์เราเนี้เกิดแล้วก็เจริญไวใ้ใหญ่โตขึ้นมาช่วงระยะหนึ่งถึงวัยหนุ่มวัยสาวสูงสุดแล้วมันหมดระยะเติบโ ต, ตแล้วมันก็เริ่มทรงที่คงที่อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเสื่อมไปตามกาลเวลาของเขา เราก็อย่าได้ไปบ่นระมือเพื่อบ่นให้คนอื่นรุคาญเราโอ้ยมันไม่ไหวแล้วอย่างงูนอย่างนี้นั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยพี่น้องวงสาคณาญาติรักกันก็เกิดความมิตกทุกร้อนกันไปตัวขยายวงกว้างความทุกข์ของเราไปสู่สังคมครอบครัวอย่างน้อยเพื่อนฝูง ถ้าเรารู้จริงๆของของขอ ง, ของสระร่างกายของเราที่มันต้องเปลี่ยนแปลงหรือมันต้องมีอาการอย่างโน้นอย่างนี้เราก็รู้เถอะว่านั่นมันมันเกิดจากความเสื่อมหรือว่างวางข้างร่างกายยังเรียงหนุนน้ำาลแต่เกิดธาตุวิปริตแปร์ผันไปได้จากการที่เรารับประทานบ้างดื่มบ้าง คุกคีกับสิ่งปเปลือกเปลือนต่างๆว่า ง, า ง, างเชื้อโรคทั้งหลายมันเข้าไปในร่างกายเราบ้างอืใไปเราหาเหตุตัวเหตุทั้งวันเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราก็รู้เหตุด้วเหตุแล้วก็กินยาถูกโดยไม่ต้องไปหาหมอเรากินยาถูกมันมาจากสาเหตุอย่างการคุกคีกับเชื้อโรคเรากินยาฆ่าเชื้อต่างๆเรากเรือกยาฆ่าเชือ้อ เดี๋ยวนี้มอกจะเป็นโรคติดเชื้อตายกันเยอะแยะหมดแม้หัวใจตัวเองก็เกิดความล้มเหลวเพราะเราใช้มากเกินไปแล้วก็เวลามันเสื่อมเราไม่รู้ถึงรู้เราก็ไม่รู้วิธีการจะทำยังไงให้จิตใจไอ้จิตตรงนี้เบาลงมันหัวใจจะทำงานเบาขึ้น เราไม่รู้แล้วก็ใช้อุตรุษเหมือนนักขับรถใช้เครื่องยนต์ขับใช้ไปได้แต่ใช้แต่ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเครื่องยนต์มันมันมันเป็นอะไรบางทีเราใช้มันไม่สะดวกน้ามันมีไววมีแต่ทำไมไม่ติดมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดข้องในทางจ่ายน้ามันข้ามันนั่ะ ในร่างกายของเราเราใช้ทุกวันทุกวันทําไมเราไม่รู้ว่างล่ะอย่างน้อยเถอะก็ต้องรู้ว่างฝนตกมันยังยังมีเขาโอ้ต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรมีอาการหนาวหนาวร้อนร้อน ม, นมันมีอะไรก็แล้วแต่เถอะมันจะมีอาการของมันจูจ่ๆท้องว่าสดใสแสงอาทิตย์แฝงกล้าจะมีฝนตกลงมานะเป็นิ่งที่ยาก แต่ถ้าเมื่อร่างกายของเรารูาพิจารณาดูแล้วว่ามองมองแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแตมันมีในตัวของมันนะเราก็ต้องไปหาเราดูเอารเองออกไปหาหมอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจีไปหาหมอส่งเดชดัุกนี้สมัยนี้มีหมอหลอกลงเยอะไปหาหมอทางเรื่องผีก็ว่าถูกผี ตัวนู้นเข้าตัวนี้เข้าตัวนั้นออกแล้วก็ไม่รู้รนุนวุ่นวายหมดไปหาหมอว่านที่เขาเล่นว่านอะไรกันก็หมอว่านก็บอกถูกว่านตัวนั้นตัวนี้จะทําอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะหายที่จริงแล้วมันมาจากธาตุของเราวิปริตเบี่ยไปผันนั่นเองอะเรามองให้มันดีๆมันเดี๋ยวนล้วก็รู้เหตุ ใคยกินยากินอะไรเขาไป่อยแม้แต่หมอโรงพยาบาลก็ยังไม่ใช่ว่าตัดรู้เองต้อถามเราเป็นยังไงท้องถ่ายถ่ายเป็นยังไงบ้างปัสสาวเป็นยังไงบ้างเอาไปวิเคราะห์เอาไปวิจัยไปหาเชื้อโรคในสิ่ง น, นั้นๆแต่หาเจอเชื้อโรคสักนิดนึงแล้ว ก, ก็บอกว่ามันติดเชื้อแล้วบอกว่ามันติดเชื้อ กันุถึงนี้แต่ไม่รู้ว่าหมอไม่บอกววาเชื้ออะไรเลยแต่บอกว่าติดเชื้ออย่างเดียวแนละ้วทำไมมันหลงแดงอันนี้แหละพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราทั้งหลายรู้จักฝึกจิตแล้วก็ทำใจของเราให้มีสติมีสมาธิาแน่วแน่ แต่จิตเราไม่มีธมรรมะที่มองอะไรก็ไม่แน่วแน่ก็จะรู้ได้จากแรงกระทบสัมผัสทางตาบ้างที่เห็นรูปรูปนี้สวยงามดีแต่มีอไอทุกข์ซ่อนมาในรูปนี้บ้างจะเราฝึกจิตทำใจเราก็จะรู้ได้ทันทียังมีสิ่งบกพล้องอยู่ถ้าหากว่าเรา ต้องการความสมบูรณ์เราก็ต้องเลือกขาไอ้ที่มันสมบูรณ์จริงๆมันจะได้มา่อให้เกิดความระดับระสายเมื่อคลองคู่ครองเรือกันไปเพราะการคลองคู่ครองเรือนไม่ใช่ใช้เวลาวันสองวันเมื่อตัดทินใจจะคลองคู่ครองเรือนั่นหมายถึงตลอดชีวิต เป็นหน่มเป็นสาปนในครั้งเดียวแล้วตอนนั้นไปนเราขอว่าคนงเ้าต้องตัดสินใจอย่างตลอดชีวิตเราจะอยู่ร่วมกันไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไปอยู่กันแค่ห้าปีหกปีแล้วก็หย่า ก, กันไม่ใช่มันต้องอยู่ตลอดชีวิตทังนั้นจึงมีศีลเป็นเครื่องกํากับอ่าระเบียบของสังคมอันได้แก่คนที่ เป็นมนุษย์แล้วก็แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยแล้วว่าแต่มนุษย์จยไม่ซาดชามันก็ยังมีคู่มีผัวเดียวเมียเดียวถ้าไปทำผัวมันตายเมียมันตายตัวเองอที่เหลือก็เป็นไม่ตายไปในมีดีไม่ดีมันก็ บินขึ้นสูงแล้วก็โรงมาชนภูเขาตายก็มีอย่างจน้นนกปีใหญ่นกเงือกนกกวะพวกนี้ขณะที่เขาออกลูกออกอะไรเข้าไปอยู่ในโพงก็ต่างคนต่างช่วยหาดินแข็งๆอุดปากโพรงแว้มันเหลือเฉพาะเป้านอาหารเท่านั้น สามีก็ทอกออกป้อนอาหารระหว่างฟักไข่ไภรรยาก็ระหว่างที่ฟัออกไข่ก่อนที่ไข่จะฟักมาเป็นตัวก็ต้องสลัดขนเก่าออกหมดเอามารองพื้นให้มันเกิดความอบกอุ่นเงี้ยไอ้นกนั้นมันก็ออกมาแล้วอไอ้ตัวผู้อยู่ข้านอกลางก็ต้องเอาอาหารมาป้อนครั้งแรกก็ป้อนแต่เพียง แม่มันตัวเดียวที่กำลังฟักไข่เอาไปเอามาก็ต้องป้อนถึงพอลูกออกมาต้องป้อนลูกอีกมันก็ราหนวุ่นวายลูกออกมาแล้วนี่ไม่ใช่ออกมาแล้วจะสบายราหวุ่นวายมันก็คนเนะ่ะยังอยู่ในท้องก็ทําแม่อึดอัดกระโดดก็ โน้ตเต้นแล้วก็ไปไม่ได้จะกินได้รผิดต้องรอกินไม่ได้ต้องระวังตัวแต่มนุษย์เราก็ยังดีที่มันไม่ได้เข้าไปอยู่ที่แคบๆชาดิษฐานี่มันรักกันถัวเดียวเมียเดียวก็ต้องคอยป้อนข้าวป้อนรายเวลาพราะไข่ออกมาแล้วต้องป้อนทั้งแม่ทั้งลูกอีกนี้ยิ่งโตก็ยิ่ง วุ่นวายเหมือนมนุษย์เดายิ่งโตแล้วก็ยิ่งต้องทํางานหนักหาไมา่ลูกกินอถ้าลูกยังว่าอิ่มแม่ก็ยังไม่หิวอย่างมนุษย์เราเนี้เคยเห็นไหมล่ะลูกไมาอิ่มแม่ยังไม่หิวอะถ้าลูกอิ่มแล้วแล้ว แ, แม่ถึงหิวกินเต่ากินตามหรือเศษเหลือก้างก็ยังลูกกินเนื้อแม่กินก้างอืม พอกินก้างเพราะไม่กล้าให้ชนแขยงๆให้ลูกกินกลัวติดคอติดอะไรเนี่ยแม่มเป็นเรื่องที่น่าสลดหดหูใจใช้จริงๆในะระหว่างความรักระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่มันน่าหน้าที่จะคิดได้คิดถึงความ เกิดของเราที่ต้องอาศัยมีดามานดานะเป็นแดนเกิดถ้าเราเกิดมาแล้วพ่อแม่ว่าไม่ได้อีกเขายิ่งบาปหนักเขาอีก mm hmm. บุญทำกับพ่อกับแม่นี่แหละเป็นบุญที่ลองจะทำจากกับพระ ถึงแ ม, แม่พ่อแม่เราไม่มีหนทางสง่งเสียงสอนเราไปนิพพานพระุทธเจ้ามีปัญญาสอนถึงนิพพานแต่แกก็เป็นคุณทำให้เรารอดพ้นจากความตายตั้งสมัยเด็กๆถึงกรทั้งวันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมานี่ก็ด้วยความอาศัยการเลี้ยงดูถึงกั้งให้การศึกษา งั้พ่อแม่เนี่สําคัญที่สุดนะบุญที่เราใครทำาห้พ่อแม่ตาตกอกช้ำอะระวังให้ดีกันแล้วกันถ้ายังมีชีวิตอยู่ให้รีบไปขอเข้ามานะเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่มีทางเสื่อมถ้าเร า, าเป็นปฏิปั ก, กิกับิดามารดาแล้วเนี่ยาหากินก็ไม่ค่อยเจริญหากินได้แต่มันไม่เจริญจะเอา จะเอาไปถึงขนาดสูงสุดก็ไปไม่ได้หรอกแค่มีกินวม่ใช้ตลอดชีวิตก็เอาเถอถ้าเราไม่เลิกความอกตัญญูต่างๆนี้เกิดวิดามบันดาแล้วแล้วก็ทางไปไปไม่นานเลยเดี๋ยวก็ตันวันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของศีลธรรม ศีลเป็นข้อห้ามทำเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติให้ได้ใช้ธรรมะให้ได้ เพราะธารรมะเป็นของต้องใช้นะไม่ใช่ว่าปฏิบัติรู้แล้วพอใจแล้วเอามาคุยกันโอ้โอวดกันอย่างรู้นอย่างนี้เราต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราด้วยให้เห็นชัดๆว่าเนี่ยเราอยู่ได้เพราะธรรมะที่เราศึกษาเรามีความรู้ขั้นเบื้องต้นของธรรมะเนี่ยแล้วก็ธรรมะตัวเราได้ขั้นี่ห้ากำหนดสิบเนี่ย ต่างคนต่างไว้เนื้อเชื่อใจออออลแล้วครอบครูของกันแล้วมันก็สร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นมันคงได้รวดเรียวถ้าเราไม่มีศีล ม, มีระเบียบมีนายในความเป็นอยู่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจคนยากแต่งราครอบครูของกันแล้วจิตใจเราไม่เชื่อสาตตกันแล้วก็ครอบครัวนั้นเน่ยถึงจุดหมายปทางได้ยากมากจำไม้แต่เรื่องราวเล่าช้าน ลุคุกคุนตลอดเวลาอ่ะมันพอจะเห็นมาเรื่องของของชีวิตจริงๆของเราเนี่ยต้องมีธรรมะนะเ ช, ช้าวสายแส่งแม่แม่ดับลงไปฝันก็ยังมีธรรมะเข้าไปยับยัง้งความเหลวรวายขณะที่เราฝันอัอนเนี้ยลองคิดดูสิ มันเป็นสิ่งสำคัญไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ยสำคัญมากที่สุดและจำเป็นที่เราต้องใช้ด้วยะนุษย์เราเนี่ยเราใช้ธรรมะของพระเจ้าได้ถูกต้องจริงแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่มีโอกาสที่เราต้องรำบากวน ท, นทุกข์อยากจนหินใจต่ำต้อยด้อยักดีไม่มีแล้วมีจเจริมเจ้ามารมีเริมเจ้างศักดิ์ศรี เสริมสร้างทรัพย์สินที่เรามปอยู่ให้มีความมั่นคงถาวรเมื่อเราศึกษาไปที่สุดเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าคําสอนพุทธเจ้านี่สมัยเราไปถึงจุดหมายปทางเราก็ต้องกลับมาอีกบวงชาตินี้เราจ้างวานไ้ครึ่งชาหน้าต่อไปแล้วไปเป็นเทวดาทชาติพบหนึงกลับมาโลกนุษย์ยังเหลือข้างๆอยู่อีกเราก็ต้องมาทําต่อ เรามีทุนจำรองอยู่แด้านโนุนกลับมาก็สบายดีตกเงนกองเงินกินทองอยู่กับพ่อแม่ที่มีฐานะเกีดยรติยศชื่อเสียงต่างๆนี้เกิดมาก็ไม่ต้องอยู่ท้องนาที่พ่อแม่ต้องเช่านาเขาทำแม่มันน่าเสียดายให้เกิดนะชีวิตเราชาติหนึ่งเราเนี่ตกแต่งให้ดีแต่ง แต่งไว้ไม่ดีแก้ไม่ดีแล้วเกิดมาได้นี้อะไรบกพร่องดูสิมันนี่อะไรบกพร่องในตัวเราบ้างเช่นความยากจนมาจากอะไรหาความจริงมันออกมาแล้วความคีเ้เหน็ดขี้มาจากอะไรแล้วก็ดูสิพระเจาตัดไว้หมดทอนนั้นหมดเพราะทำติดอย่างไรมันตึงเป็นอย่างนี้ทำติดอย่างไรเขาจึงเกิดขึ้นมาเขามีรูปเหรอดีเสียงดีปัญญาดีเนี่ย และเล่งแก้ไขกันแค่ก่อนลงให้ใจจะหมดลงเราไปเราทําไปด้วยแก้ไขตัวแก้ไขนิสัยไปด้วยอืแล้วอยากคนอื่นเขาเริ่มใจศรัท่าให้ถ้าเราออยาคนอื่นก็เริ่มใจตรัทาแล้วถ้าเรายังไม่เริ่มใจศรัทากับพ่อกับแม่แล้วใครข้อจะให้ความเริ่มใจแล้วได้ยาก ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยเราต้องเริ่มใจทัศนาพ่อแม่ของเราก่อนอย่างน้อยที่สุดเขาจึงปัญญาไม่เท่าเรายุคสมัยนี้ปริญญาเยนมากกว่าฝาสมัยพ่อแม่เราอืแต่เขาก็ยังสามารถเลี้ยงเรามาได้จนกระทั่งบรรลุติภาวะถึงกระทั่งสามารถตรงเสียแล้วก็สู่หลงร่าโรงเรียนจึงกระทั่งเป็นบัณฑิตเป็นใด ม่ความรู้ทางโลกมากับาพ่อแม่แต่พ่อแม่ความรู้ในทางละเอียดอ่อนในทางความรักความครอบครัวเราจึงได้ผ่านพ้นปัญหาพัักมันได้จึงกระทั่งรุ่นติภาวะเนี่ยเพราะนั้นการเวลาของชีวิตหรือการเวลาของฝังธรรมในวันนี้ก็คิดว่า พอจะได้หัวข้อเนวธรทมเอาไปขยายคิดแล้วก็แก้ไขยอย่าคิดว่าธรรมะธรรมะนี่ในโลกมันมันใช้ได้เฉพาะาการเฉพาะเวลาทุกเวลาทุกการเวลาถ่านเรามีธรรมะด้วยเข้าไปประป น, ใ น, ใ, นในการงานแล้วยิ่งทาให้างานนั้นมันสะอาดแล้วก็ สงปานนี้ด้วยถ้าทางการฝีมือมีธรรมะด้วยมีสมร t h ด้วยเข้าไปทำงานนั้นยิ่งละเอียดหาข้อตำหนิได้ยากให้ เ, เข้าใจธรรมะผู้จ้างละเอียดมากนะแล้วแต่เราจะใช้ยังไงแต่ออยังไงยังไงทุกคนใช้ธรรมะสังคมเราจะเกิดจน เชื่อความสงบไม่เกี่ยวก้าวไม่ร้าวฉานไม่เอากิเลสมาทุ่มเทห้ำหันกันจนแทบจะคบกันไม่ได้เนี่ยแล้ววันนี้ก็คิดว่าได้พูดธรรมะมาเล็กน้อยผกเป็นแนวทางซึ่งเป็นธรรมะญาปาคอกญาปกคอกคอกโค้อกกับมือเนี่ยถ้าเขาอยู่กับรถเยอะเนี่ยเขาเรียกว่ายาปะคอกที่เาพูดเนี่ย อย่าปะข้อมันจะงามละอ่อนมันเกิดจากมูลของสัตว์ที่อาัยกันอยู่เยอะๆเมื่อ ม, มีฝนตกมามันก็ทำให้ส้นม้ทมีเ่เล็กน้อยจากอยู่ปะข้อมันก็ได้อาอ่าปุย๋ย มันก็งามดีทีนี่ที่ที่ว่าญาปากคอกไม่โวยไม่กินมันกินมีทานเพราะมันพอออกจากอคอกตางความก็ดีใจจะได้ไปกินยญกาไกลๆแต่ไม่ได้มองไกลๆอือ ม, มก็เลยไม่ได้ไม่ลิ้มชิมรสยญาปากคอกธรรมะถีนห้านี่เป็นญาปากคอกนะเราจะรู้ละเอียดอ่อนต่อไปอีกถึงถึ ง, ถงนแปดเรื่กานำโซฟอนมุดตุดพ้น จากกิเลสเพลิงซุกทั้งหลายนี่เราก็จำเป็นจะต้องศึกษาอีกปฏิบัติอีกว่ามันมีผลอย่างไรที่พระเจ้าตรัสไว้เชิงให้เราต้องนำมาใช้ในการดำรงชีวิตวไม่ค่อยสดาดมันเล็กมันตื่นเหลือเินเนี่ยนั่งนั่งมนต้องรึกอีกหน่อย ไม่เข้าไปแล้วก <A> ็ <A> ัดจังหวะจะมันได้จนั่งได้นานลองนำมาคิดกันดูนะเอเวลาของเราก็ได้ถึงเวลาพอดีแล้วมั้งถึงบ่ายโมงก็จะต้องไปทํางานนั้นนะขอให้เราทําอย่างสนุกทํางานให้สนุกภากิจตั้งหลายอย่าทำเบื่อเบื่อในไหนจะเบื่อยังไงก็ต้องทํา เมื่อเห็นชีวิตตัวเองลำบากแล้วเกือกินข้าวถึงเวลาแล้วบางทีเบื่อเลยต้องมานั่งเคยว่อนข้างยานยานพอจะเสร็จกัดพรกักกาดกินก็ต้องอย่างน้อยๆก็สามสิบนาทีกินพอดีพอ ด, พอดีก็แต่กินยืดยาดยาก็นานไปอีกถ้าเราเป็น ใน ส, สุขสกติเส้นเข้าอาหารแล้วก็มีตรงมายูบบุญวายเพราะทําทแต่ชาตินี้แหละทําบุญต้องทานทาแต่ชาตินี้แหละทําให้มันถึงมันก็เป็นที่เวชธรรมบัตติดตามไปทุกคนทุกแข่งส่วนการทํากุฏิอาหารดาราการบ ร, รียนของสาธารณประโยชน์ต่างนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเี่จะก่อให้เกิดอิพย์เจตถ์ทิพย์ ท, ทา ทิพยาวิมา a n ต่างๆให้เราแต่ก า, า, ายชาะไรสังขายเราไม่ต้องไปทำมาทาแต่โลกนุ้นี่นะไม่ใช่ไปทำที่นู่นนะที่นูน่นหนึ่งมีรถดัมัน่มีรถตักดินมีมรถอะไรเราไม่ได้ไปกุดดินมาทำาวิมานกันอยู่เรกเทวดาเนี่ยอาศัยบุญที่ได้ทำไว้ในชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นเสียไปเสียได้การทำความดีนะยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งทำก็ยิ่งจะเดินก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับแล้วก็วันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะอเอาคําสอนพู้เจ้ามาใช้กันเถอะในโลกมันจะเกิดสันี่สุขสมาคมสังคมเราจะอยู่กันอย่างเป็นสุขไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่กว่าแก่ท้อง เห็นกับความเมตตาใจมื่อกี้ถึงกันแลกันเราผู้น้อยก็ทํา ง, งานน้อยผู้ทำ ง, งานมากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ผ่านงานอย่างเรามาแล้วเขาก็ได้เป็นสูงกันไปเขาก็ทําหน้าที่น้อยลงหน่อยเพียงได้ตรวจได้ชอบได้อสินชื่อให้เท่านั้นเราก็ทํา ง, งานต่อไปอือย่าเบื่ออย่าไหนยอย่าใคร อยกเกิจะชังเรื่องกันกันให้มีความรักมีความอดทนต่อทุก ป, ปัญหาประสามีคว า, ามขยันหมั่นเพียรส่วนความดีต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะทําให้เราได้มาจากสิ่งสามสิ่งเหล่านี้ที่มีในใจเราเช่นความขันติธรรมบุริยธรร ม, มเมตตาธรร ม, มเมตตาธรร ม, มเป็น บ, บันไดให้เราไตา่เลื่อนชั้นเไปตามลําดับ ถ้าคนเรามีเมตตากับตัวเรามีเมตตากับผู้ธายมกับชาอยู่ร่วมกันแล้วไม่ช้าก็จะต้องตากคนต่างจากกันไปในที่สุดขอให้ทุกคนที่เลื่อนดำคำสอนของพุทธเจ้าหรือฉพาถึงการเอวังก็มีด้วยประการในเชนี้สาธุ<ะ><ะ>ครับก็ในโอกาสนี้นะครับหลวงปู่ท่าน<ะ>ก็ได้มาที่นี่ท่านใดร่วม แต่ต้องการร่วมทําบุญสร้างเท้าโบสดซึ่งก็ความสมําเร็จก็ไปประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซนแล้วครับตอนนี้ก็เหลืองานที่ประณีตซึ่งหลวงปู่บอกว่าเขาอาจไม่อาจจะใช้เครื่องจักรได้ก็ต้องใช้ฝีมือของคนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ในการร่วมบุญกันหลวงปู่นะครับในการสร้างอุโบสถจตุรมุกนะครับซึ่งเป็นที่สวยงามแล้วก็ บนพื้นที่ที่ขว้างขวางนะครับก็วันนี้หลวงปู่ท่านมาได้ร่วมอนุโมทนาร่วมกันนะครับในการร่วมสร้างบุญสร้างพระบัวสดในครั้งนี้นะครับบดังนี้มันมีสี่มุกก็จริงแต่แต่ละมุกมันมันมีห้าชั้นไม่ใช่สี่ชั้นห้าชั้น สี่มุขว่มียี่สิบยี่สิบชฟ้าก็มียี่สิบช่าฟ้าต้องไปดูเองเห็นเองจะจะทำบุญ1ิบาทเดี๋ยวก็ต้องทำร้อยไปเห็นเองก็ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันใหญ่ฟบบัวโบสธรรมดา ในประเทศไทยที่เขาทำมันก็ว้าวใหญ่แล้วแต่โบสถ์หลังนี้ยิ่งใหญ่กว่าในโบสถ์นั้นมันมีสามอย่างในตัวของเขาหนึ่งมองไกลๆเราจะเห็นม่จะดีเห็นย่อจะดีขึ้นไปนู่นพอเข้าใกล้มันใหญ่อลังการก็เหมือนกับ ว, วิหารพ อ, อเข้าไปภายในจึงรู้ว่าเป็นโบสถ์เพราะเป็นที่ทำทางกรรมของสูง ที่ทำอย่างนี้เพราะะเพราะให้มันอยู่ที่เดียวกันเลยไม่ต้องไปทำโบสถ์อย่างวิหารอย่างตระการเรียนอย่างไอ้เนี่ยไอ้จะดีอย่างไม่ต้องไปสร้างอําเปิงที่มากเอาที่เดียวอันนั้นเป็นเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่ส <R ain> ุดเรามาคิดใหญ่ก็แต่มาหาอะไรคนแก่งเขเขียนแบบให้เให้ ก็จะทำให้เขาตามนะใหญ่แล้วก็ทำใหสวรมั่นคงนะมันทำให้มีจิลปะที่เคียงแค่เราไปกราบไปไหว้ไปเห็นก็รู้สึกรู้สึกเบิกบานจิตใจขึ้นนะชุ่มชื่นขึ้นแล้วนั้นก็เป็นโ่นหนึ่งขั้นได้มาฟังเทศฟังธรรมมีครูบาอาจารย์มาเทศมาทำให้สอนธรรมให้ทุกวันทุกวันก็ยิ่งทำให้ผู้ที่ไปก็เกิดความรู้คองเข้าใจ นึกซึงเข้าไปอีกถึงการกระทาบางคนก็จะพูดว่าเออทาธรรมะใหญ่โตนะเปลืองเงินเปลืองทองหม่ยแตคิดถึงความเป็นมาของพระมาพุทธเจ้าเนี่ยแค่นี้ยังไม่ใหญ่หรอกออพุทธเจ้าใหญ่ขนาดไหนท้พงสอง 2, พันกว่าปีแล้วนี่ยังมีมเสื่อมทรามนะใครปฏิบัติก็ย่อมได้ได้เจอความเจริญนุงเรืองในคาสอนอนะ